เพร่มเติกันนะเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติเราก็พากันปฏิบัติเป็นหัวใจของผู้อยู่วัดวาอารามเพื่อสราบคุณภาพชีวิตของเราที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้นมาหลายหลายอย่างที่ไม่ดีที่เราไม่รู้ไม่เห็นแจ้ง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 อะไรก็ได้หายใจเข้าหายใจออกก็ได้เราก็หายใจทิ้งไปเปล่าๆหรือการเคลื่อนไหวเอาหลักอันใดหนึ่งให้มันคุนเคยกับการเคลื่อนไหวนั้ น, น, นลมหายใจก็เป็นการเคลื่อนไหวของกายการเจริญสติตามแบบของสัพพัญญะบพะ ก, เกาาบาบ็เป็นการเคลื่อนไหวของกายเรียกว่าสมบัชยะบัพพะอาณาปับพะคิดบัพพะเป็นการเคลื่อนไหวของจิตไม่โดยเกิดมาเคิื่อมเคลื่อนไหวของมันเองเรื่องจิตตัวนี้สมควรแต่ว่าเราหัดให้มันมีฐานที่ตั้งไว้เพื่อมจะได้เห็น การเครื่องไหวของจิตที่มันคิดถวานของจิตสวมันคิดเราให้เปลีนโชเปลนทุกเปลนชิวิตต้นหาได้เราจึงมีสติเป็นเจ้าถิ่นไว้ก่อนฝึกไว้ก่อนเงือนหลืนต่อไว้ก่อนอะไรมาก็จะได้เห็นถ้าไม่ฝึกหัด อะไรมาก็จะไม่เห็นเจกะกเข้าไปเป็นกับมันมันหลงก็จะเป็นผู้หลงมันทุ ก, ก็จะเป็นผู้ทุกข์มันโกรกก็จะเป็นผู้โกรกเกิดจิเรศตั้งหาขึ้นาก็จะเป็นไปตามจิเรศตัางหาทำตามมันถ้าเราไม่มีสติเป็นเจ้าถิ่นลืนตาไว้ดูมันก็จะไม่เห็นสุข ก, ก็เป็นสุขทุกข์ก็เป็นทุกข์ เป็นมาจาก น, านั้นปล่อยกายป่อยใจทิ้งไปให้ผักผมกับามไม่ดีความผิดเท่าไรก็ไม่รู้หลงไอ้ชีสงไขหลงโกดีสงอชีสงไขโกดนับไม่ถ้วนก็ไม่เคยเห็นรับใช่ความทุกข์เราใช่ความโกรธเราใช่สฉลีตั้งไา บางทีก็เมืดบอดไปเลยเสือผู้เสือคนเป็นเฉลดนิดสัยราคาเฉลดโงงแต่งโตใจเฉลดโกรง่ายมัหัวเฉลดหลง อ, อกหน้า อ, อกตาก็รอบทุกอย่างนี่ความหลงต่อเห็นลูกก็พอใจไม่พอใจนั่นแหละคือความหลงหูที่ยินเสียงก็พอใจไม่พอใจนั่นแหละคือความหลงเหมืนตอนรับ แล้วก็เมื่อเป็นจหนั่งกัไปไกลเรื่องที่เกิดกับตากระหูโจกเรื่องกายใจฟ้าเปินพบเป็นชาติได้เป็นเป็นสุลกายเป็นสวงโลกเป็นไรฉานได้เป็นการเกิดดับต้องสู่ตรองทุกข์บันไม่จริงแล้วจากมาฝึกกรรมฐานวิชาองนักบวชก็ว่าได้ โอ้ที่เจ้าที่ได้อุบัติขึ้นมาในโลกก็พกฝึกกรรมฐานไม่ฉ ช, ชาตหวันนาตระกูลเลี้ยนเก่งไม่ใช่เลยพระสิทธาถอดในเลี้ยนเก่งจบสิบเกตศาสตร์หีม่ายิงแคหนูฝันดาบนอกจากศาสตร์ทั่วไปมาของบ้านของเรือนเพื่อจะ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 เอาใจมีรูปนี้นามมาสร้า ง, างให้เกิดความรู้ได้ลูกเช่นนามใช้ใจนี่มาสร้างให้เกิดความรู้อาศัยให้เกิดความรู้จึงเกิดมีพุท ธ, ธหน่อยเป็นศาสตร์แห่งพุท ธ, ธได้คือรู้คือตื่นคือเบอิกบานมีการนีใจอาศัยเป็นที่ตั้งของความรู้สึกตัว เวลานี่เมื่อเราก็มีโอกาสอย่วัดวาอารามไม่ได้ไปทำงานตาการนั้นอื่นจะมีบ้างก็เป็นอาติเลศถ้ามีฝึกไว้แล้วก็ไปช่วยการช่วยงานหมอะแก่การงานงานั่นๆได้ที่เปนการงานชอบ การที่ไม่ชอบก็ไม่เกิดขึ้นการเห็นชอบพูดชอบคิดชอบทำชอบเรื่องชีวิตชอบต้องใจไวชอบต้องสติไวชอบต้งหมดถ้าเราฝึกให้มีสติไปนในกายตามวิชากรรมฐาน6บทางไม่จน เลื่ถึงที่สุดถึงมักถึงผลจุดหมายปลายทางของชีวิตคือมักผลนิพพานเรามีกายมีใจเพื่อมักผลนิพพานเรามีศาสนาเพื่อมักผลนิพพานเรามีวิธีปฏิบัติเพื่อมักผลนิพพานแม้แต่ละออกหัวก็เพื่อพระนิพพานนิพพเอวังกาสาหวังเฮตวาบุภาเชตมัะกเต นิพพานนัชชิกะนัตถายะเผยผ้ากาสพัดผ้าเหลืองผ้าขาวเพื่อพระนิพพานนิพพานนัชชิกะนัเอตังกาสาวังก็เหตตว์เป็นเหตุให้เราได้มีเพศจากาติโยมแน่ระมีญาติโยมหนผ้าสีใดอะไรก็ตามถ้าเป็น ปฏิบัติเปน็นเดียวกันสตริเปน็นเดียวกันหากีไหนถ้ามีสติเป็นันเดียวกันไม่มีคนหนุ่มไม่มีคนเจรไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีชาติปนันนาถ้ามีสติที่กายที่ใจลูกได้เห็นทิ้งที่ผนเกิดขึ้นที่กายที่ใจดีเรื่องตื่ ช่วเรื่องผิดเรื่งถูกก็จะด้หลักได้ฐานได้ความจริงด้วยความเท็จก็เกิดความเป็นธรรขึ้นมาต่อกายต่อใจสร้างความเป็นธรรมขึ้นมาเมื่อมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นที่กายที่ใจเพราเห็นความเท็จความจริ ง, รงที่มาเกิดที่กายที่เจ ไม่จริงก็อยู่ไม่ได้หวนพิภาคษาทุลาการพิภาคษาตัวเองให้พ้นพิษพ้นภัยพ้นอันตรายไม่มีภัยนี่เรียกว่าทมนำพาไปประพฤติธรรมธรรมก็ยอมรักษาผู้ประพฤติธรรมจนไปอย่างนั้นเป็นได้ ทางจิตวิญญาณจับหลักแกนสารของชีวิตได้แต่ก่อนถ้าตั้งแต่ลงมาได้ฝึกความไม่เป็นธรรมไม่มีเลยในการในใจกายก็เบียดเบียนใจ ใ, น ใ, นใจก็เบียดเบียนกายกายเป็นทุกข์กใจเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์ เอา ม, า, มคคาลงโทษแม้แต่ความคิดก็ลงโทษตัวเองขัดต่อตัวเองให้เจ็บปวดพอเห็นหลัเกเขนฐานจับหลักกับฐานได้อัดความคิด้ามีสติเห็นความคิดที่ไม่ตั้งใจเห็นอาการต่างๆาที่เกิดขึ้นไากับใจเป็นอันที่เป็นน้มมรรลูปที่เกิดจากร่มนาม รูปนามมีธาตุสี่ขันธ์ห้า 5, แต่นามารูปนกการเกิดซ่อนขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติเกิดจากอายตนะเป็นสุขเป็นทุกข์ได้เป็นนามมารูปเกิดเจ็เจ็ตายตายดับเกิดดับเกิดดับอันดับ เกิดดอของน้ามะลูไม่มีทราบเป็นศพแต่มันก็เจ็บปวดเป็นทุกข์ได้เปนขันที่ม่เป็นอุปทานไปขันรวนล้วนการลูกน้ำลูกน้ำเป็นขันร่นล้ว น, วนถ้าจะดูตามความจริงมันเป็นสัญญาณภัยทําให้ลูกมันอยู่ได้ เป็นควอมร้อนครามหนาวควาหิวจูงกัดเหมือนเจ็บเป็นสัญญาณภัยเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขารวิญญาณเทว่รู้อะไรได้ตาก็เห็นอะไรได้หูได้ยินอะไรได้ไม่มีอุปทานเพื่อที่จะไม่ให้มีภัยเกิดขึ้นแต่ดางว่ารูปมันเกิดจากอาวิชาที่ไม่รู้ ไม่รู้ความรู้ไม่รู้ความหลงไม่รู้ความโกดไป่รู้ความทุกข์ทุกเป็นทุกสุขเป็นโศกโกรธเป็นโกรธ น, น, นี่อวิชชาถ้าหลงเป็นหลงนี่อวิชชาถ้าวิชชากเกิดขึน้นหลงก็คือรู้ทุก็คือรู้โกรธคือรู้นำรูกก็ไม่มีอุปทานอุปทานขาดทั้งห้าทุก ทั้งตลอดสาทาะพระจสดว่าโดยยอุปทานและขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ยึดมั่นว่าชุกคือเราทุกข์คือเราโกรธคือเราเลกคือเราเหยียดชังคือเราอะไรคือตัวเราไม่เห็นตามความเป็นจริงตามคุณนับธรรมของพระญาตยบุคคลชั้นต้นๆสกฤตยท ธ, ธิไม่เอากายมันเป็นตัวเป็นตน วิจิตรฉาไม่สงสัยในเรื่องที่เกิดต่อปากับใจว่ายึดบั้นถือมั่นเอาเท็จเอาเท็จเอาจริงเก่า ก, กายกับใจขอให้ขัดแย้งตัวเองและคนอื่นจึงโขงโกรธว่ยอมแล้วกูได้โกรดนี้เป็นสกิรญิติิเป็นทั้งวิจิชฉาเป็นทั้งศีลัติปปะบาาน เพาฉะนั้นถ้าเราเห็นอย่างนี้การทำลายอย่างนี้ลงเข้าสู่คุณภาพของพระเ ย, ยบุคคลชั้นต้นๆพอเห็นการเกิดดับของนามวูลเพืือหน่อยจางคายได้หลักด้วยานเพื่อฟ้องวกวามเป็นทองมาเกิดขึ้นมา เอาเหลือไว้ตัวลูกนางเพื่อใช้ให้ต่อยอดให้ไม่เกิดความดีขึ้นมามากมายส่วนนา ม, มาลูกนั้นจบได้จบได้ไดอาการกิดดับหรือดับไม่เหลือของนา ม, มาลูกเมื่ออาการดับไม่เหลือของนา ม, มาลูกหมดไปเกิดสิ้นสึกขาเกิดใจศึก ข, า ข, ขาขึ้นมา ก่อนผิดศีลไม่แต่ทั้งนมามบรรลุสุขเป็นสุขผิดศีลแล้วทุกเป็นทุกโกรเป็นโกรผิดศีลแล้วตายฉะคาไม่เกิดศีลเป็นเกิดศีลสมอที่ปัญญาที่เป็นเครื่องรับจัดสิเลไม่เกิดเราเห็นสุขเป็นรู้ทุกเป็นรู้มีศีลแล้วมีศีลเพราะมันถูกต้องในความผิด ด้ความผิดมันเป็นความถูกแ้วความทุกข์เป็นความถูกด้วยความไม่ทุกข์จากความทุกข์ด้วยมไม่โกรธจากความโกรธสินเกิดจากนี้ไม่ใช่ศินแบบสมรธานศินที่เป็นมากเป็นผลไม่ใช่ศินสมรธานวันหนึ่งคืนหนึ่งชัว่วครั้งชั่วคราวต่อศินศึกษาเป็นศินกําจัดจิตหลี เมื่อนามาลูกไม่มีการเกิดดับว่ากายกปร็นชินเป็นสมาธิเป็นบัญญาขึ้นมาทำลายจิเลสก็สู่ธรรมเบื้องต้นของพระเจ้าคนทหลายสกฤตทิฏฐิไม่มีตนไม่โอากายเอ า, อาใจว่าเป็นตัวเป็นตนไม่สงสัยเรื่องนี้ก็เ ว, วางไป ตามกำลังของความเพียนความศรัทธาไม่ท้อถอยได้ลดในชาติการปฏิบัติทำขึ้นไปทำกุลพาไปเรองถูกพาไปควมไม่ทุกข์พาไปเห็นควองทุกข์มันพาให้ไม่ทุกข์หวนรถที่มันวิ่งไปข้างหน้าหวานตกหลุมเมื่อกอเพี้ยจะพุ่งไปข้างหน้า ไม่ใช่มันถอยหลังจะมันไปมันจะมีอะไรเกิดขึ้นแม้มันกะทบกระเทือนนั้งก็ไปข้างหน้าก็ค้นจากภูมนั้นไม่ใช่กับมาตกหรือไม่ใช่กับมาตกอืก่นมันตกมันจึงไปได้พ้นจากภูมมาแล้วพ้นจากโคนมาแล้วชวิตของหลบก็เหมือนกันนักปฏิบัติ มากระโดดได้ตอนที่มันมีอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ถูกต้องมากระโดดไปได้ความหลงทั้งเรากระโดดจากความไม่หลงพ้นจากความหลงรวมทุกข์เราไม่มันกระโดดจากความทุกข์พ้นจากความทุกข์กขนี่คือมรรควิถีของชีวิตที่มันพ้นไปเป็ดทางหลุดพ้นไปจุดหมายปลายทาง ผมว่าจันนี้ไม่ใช่ลาบสกะเสีแสงเสิญเยินยอไม่ใช่เจ้าหนที่เพื่อมีรพวกพ้องวิวาไมาใช่ชานจันเนหนึ่งที่ไปติดอยู่กับคองสุกแต่วิมุดเป็นตีมุิเป็นความหลุดพ้นหือนเราขึ้นมาหลังเขาปอบหาวันขึ้นมาทั้งบานธาตุ ขึ้นมาตกหลมจีร้อยหลุนหขึ้นมาได้จนถึงที่นี่มันก็ไม่มีหลุมเมอวัถึงเราก็ไม่มีหลุมมันผ่านมาเพราะวันเดินมาจากความผิดความถูกวางทีก็ต้องออกเร็่วออกแรงคนับรถ ก, ก็ต้องโดยจากเส้นทาง การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันได้พุทธะเกิดขึ้นจากความทุกข์นี่แหละถ้าไม่มีทุกข์ขอพระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นมาเห็นจริงๆมาสาธยาพระสวดๆธรรมว่าอะไรก็เป็นทุกข์อะไรก็เป็นทุ ก, ก, ทกข์พระพุทธเจ้าทรงสังสอนสาวกทั้งหลายเช่นนี้ลูกเป็นทุกข์เปนทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นยุทธ เหินยานก็เป็นทุกข์รูปว่าไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนจึงได้ไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดว่าเราว่าของเราพราะสาวกทั้งหลายก็รู้เรื่องนี้ไ็นความทุกข์อย่างเอาแล้วแต่เนี่ความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วก็เห็นกันอยู่บุกเสกตัวเอง ส่งมาจดงนช่วยสาธิยาพระสูตรช่วยบางีพวกองค์อยู่ล้มพังพวองค์เดี๋ยวก็ยังกระหึ่มแล่ใจเพราะเฉีนี้มีฉีนี่จึงมีเฉีนี่ไม่มีเฉีนี่ก็ไม่มีรูป ก, ก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงแต่ก่อนเราอยู่กับรูป ก, กับเวทนากับสัญญาสังขารวิญญาณมาเป็นตัวเป็นต้น นนเลยเกลงไปบางทีก็เห็นเลยเกมั น, นไปเห็นความม่เที่ยงต่เรื่องของรูปของต่างที่มาโดเปลอนอกจากรูปตนางกัความม่เที่ยงเกิดกับกางอื่นดิบมากมายภาพจากของรลกของชอบใจอีกมากมาย เกิดให้โดยป่วยอีกมากวางอยู่ดีก็เป็นทุกข์อยู่ดีดีกับลูกกับหลานเป็นเข้าน้ามร่มกระดูกตะโพกขักคนแก่แม่ของหนูนิดร่มในห้องหน้ากระดูกตะโพกขักแตกก็นอนลงฝันหวานมันจะบอกได้เงร้องแกครับเจียความตาย มันเป็นอาชีพของเขามันเที่ยงกวามตายคือความเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงถ้าฝากไปกับป่ากับจใจกับรูกกั บ, กบกดำนี่เอาประโยชาาน์จากมันต่อยอดมนัน่เราให้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความไม่เที่ยงทุกข์เพราะความไม่ใช่ตัวตนลอ่อสบายไปกันแล้วไม่เอาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์ ไม่ความหมเชื่อตัวตนมาเป็นทุกข์ไม่เอาความพาดัดพาจากของรังืมความพอใจมาเป็นทุกข์บาทีเราโกรธก็เป็นทุกข์เราห ล, ลงก็เป็นทุกข์โกก็เป็นทุกข์เหมือนหมดสมัยแล้วออกไปกันแล้วก็สู่ทางแล้วอมู น, นี่มันเป็นตะโกตะกะจะเห็นเห็นในม่นเป็นทาง เห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุขเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ทางเราเด้อเรียบไม่กระทบกระเทือนผู้ปฏิบัติย่อมเท้าทางได้แบบนี้เห็นมันหลงเห็นมันผิดเห็นมันถูกเห็นมันสุขเห็นมันสุกขเรียบถ้าเป็นเราไม่เรียบขู่ขัเอาผิดเอาถูกเอาได้เอาเสียทําได้ทําไมได้ทางขู่ขั เห็นเห็นมันไม่ได้อะไมมิตรรู้เรื่อยไปะอะไรก็คือภาวะที่รู้เชกตัวเข้าไปเลยนี่คือเรามาปฏิบัติอย่างนี้วันหนึ่งแ้ว า, านอะไรผ่านกันก่อยิ่งชํนี้ชํานานชํานานทางตอนเดินทางตรงไหนมันหลงใจใส่ใจตรง น, นั้น ทางไหนมันคดเที่ยวจะใส่ใจตรงนั้นหนนทางเลยที่เขาสร้างมิตรภาพเขามีป้าจราจรบอกก็ไปถึงจุดหมายปายทางได้ถ้าไปตามหมายเลขป้ายจราจรบอกเส้นทางตอนนี้เขามีเครื่องเครื่องอะไรติดรถเขาบอกผิดแล้วแยกหัวผิดแล้ว โอ้ยครับมบอกไม่ต้องดูแผนที่แนที่ล่าสมัยเราไม่ต้องมาเปิดดูติดเครื่องซี่หน้ารถฉันจะบอกพอดีให้เป็นเป็นภาพตายยัไม่สมัยแบบนี้แล้วชีวิตเราเรากสมัยใหม่นำสมัยบ้างนะทำนำทำถึงสมัยปลาทางอิสติ ปัญญาที่สติสัมปชัญญะนำพาชีวิตไปฉันจุดหมายปลายานได้จากเบื้องต้นก็คือสติท่ามกลางคือสติที่สุดคือสติมีสติแล้วแหละอยู่เพอสุขพทุกข์จะได้นีสติแล้วแหละอยู่ไปเจ้าปฏิทิพผ า, านที่ดีจบเท่านั้นมีสติ ตรเป็นกับเพืกว่าไม่เป็นอะไรกับว่าลายนีสติเดียวแค่นี้ทำไมได้เลยเนี่ย่ <ś led> <ś led> ยากเลยนะโกรธมันยากนะเห็นมันโกรธง่ายเลยทุก็นยากนะเห็นมันทุกไม่เป็นทุกแต่ไม่เป็นทุกไม่เป็นผู้ทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกพ้นจากความทุก เป็นฉินเป็นสมาธิเป็นปัญญาเห็นเหมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธ้นจากความโกรธนี ม, มันเรียบดีถ้าเป็นผู้โกรธโอ้ยก็ขุกขามากทรํ า, ลานลำบาเกเจ็บปวดกระทบกระทือนโศมเหมนรถที่ไม่เดินทางกุกขะก็โศงง่าย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 ในความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ในความหลงมีความไม่หลงในความโกรธมีความไม่โกรธแต่อย่างนี้นี่ก็พูดความพยาพูดในฝั่งถ้าไปทําเอาเวลามันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงถ้ามันยากเดินมันยากเป็นผู้ยากเวลามันผิดเห็นมันผิดไม่ได้เป็นผู้ผิดเห็นมันเห็นมันเห็นมันเห็นมันนจะคงถั่ว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 รู้ทำได้ง่ายทุกขาปฏิบัติธาปฏิบัติลำบากรู้ทำได้า ย, ปปยากคิดฝังอยาอาจจะไม่รู้เลย